ตายแตกไปจักเข้าถึงกาเนิดเดรัชานพฤติกรรมแบบนี้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างนี้ชาติหน้าปลาแน่นอนนะปลวกแน่นอนมดแมลงแน่นอนเนี่ยรู้เลยนะรู้เลยว่าใครเป็นยังไงพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงรู้จักบุคคลผู้ตั้งอยู่ในโลกนี้ด้วยสา ม, มารถกำมาพิสังขารว่าบุคคล น, นี้กายแตกตายไปจักเข้าถึงเปรตเนี่ยนี่เปรตแน่นอนเลยนะใช้ชีวิตแบบนี้อนาคชาติหน้าเปรตเหมน พระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าทรงรู้จักบุคคลผู้ตั้งอยู่ในโลกนี้ด้วยสามารถแห่งกรรมมาพิสังขารว่าบุคคลนี้เมื่อแต่กายตายไปจักอุบัติในหมู่มนุษย์นี่นะครับกุศลกรรมบทอย่างเงี้ยรักษากุศลอย่างเงี้ยให้ทานรักษาศีลอย่างเงี้ยมนุษย์แน่นอนพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงรู้จักบุคคลผู้ตั้งอยู่ในโลกนี้ด้วยสามารถกรรมาพิสังขารว่าบุคคลนี้เมื่อกายแตกไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อันนี้สวรรค์นะ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 ดูก่อนสารีบุตรเรากําหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจแล้วย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคล น, นี้ปฏิบัติอย่างนั้นน่ะประพฤติอย่างนั้นดําเนินไปตามทางนั้นเมื่อกายแตกตายไปจะเข้าถึงเปรติวิสัยอันนะสรุปว่าพวกล่วงอกุศลกรรมบท10ประการเนี่ยนะอบายทุกขติวินิบาฎนรกเนี่ยนะถ้าไม่ละไม่เลิกไม่เปลี่ยนเนี่ยนะถ้าไม่ละไม่เลิกไม่เปลี่ยนไม่สมาทานกุศลกรรมเนี่ยยังให้ก็อบายทุกขติวินิบิฎนรกแน่นอน อันหรือสัตว์เดรัจฉานหรือเปรตติวิสัยดูก่อนสารีบทรเรากาหนดรู้ด้วยใจเนี่ยนะกหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจแล้วย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นประพฤติอย่างนั้นดำเนินไปตามทางนั้นเมื่อกายแตกตายไปจากอุบัติในหมู่มนุษย์หรือว่า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 ประพฤติอย่างนั้นดําเนินไปตามทางนั้นจะทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันรู้แจ้งยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่นะแสดงว่าเป็นผู้รู้จักทางอย่างแท้จริงนะพระองค์รู้จักเออทางนี่นรกนะทางอยู่ที่ไหนกายวาจาใจนั่นแหละเอา้าทํากายวาจาใจแบบนี้นรกกายวาจาใจแบบนี้เปรตกายวาจาใจแบบนี้เดรฉานกายวาจาใจประพฤติแบบนี้ มนุษย์กายวาจาใจประพฤต์แบบนี้เทวดากายวาจาใจแบบนี้ประพฤต์เป็นพรหมโลกประพฤต์กายตามสมาัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะเนี่ยนะประพฤติวประพฤติวาจาตามสัมมาวาจาประพฤติที่เหลือตามสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะอบรมอริยมรรคให้บริบูรณ์คือสุดจริตสามที่เปี่ยมบริบูรณ์ปัญญาวิมุต เจตวิมุตตอันหาอาสะวะไม่ได้อันพาดหันก็คือผู้ที่กายสุจริตวจีสุจริตและมนูสุจริตบริบูรณ์เนี่ยนะพวกนี้ดับปฏิไหมปฏิสนที่ในภพใดทั้งปวงคำว่าพ้นวิเศษแล้วก็คือพ้นวิเศษแล้วในอากินจัญญายัตนะสมาบัติเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งคำพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบว่าบุคคล น, นี้น้อมใจไปในรูปไอ้คนนี้ชอบสีเป็นพิเศษน่นะ แต่เรื่องสีมันสนใจเป็นพิเศษนะนะกระกว่าภาพสวยๆมันจะซื้อเท่าไหร่ก็ยอมวันนี้ติดข้องในสีบางคนเนี่ยติดใจในเสียงมากบางคนติดใจในกลิ่นบางคนน้อมใจไปในรถบางคนน้อมใจไปในโพธิภพ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 อันนี้พวกนี้อัธยาศัยไม่ค่อยดีอาศัยะไม่ดีคือน้อมไปในรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภาพน้อมไปในสกุลคณะอาวาสหรือน้อมใจไปในลาบยศสรรเสริญสุขหรือน้อมไปในจีวลบินทบาทเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารก็มีพวกที่ฝ่ายดีกว่านั้นก็คือน้อมใจไปในปิดกรัทธานะบางพวกก็น้อมไปในพระสูตรในพระวินัยและพระอภิธรรมบางพวกก็น้อมใจไปในถือผ้าบางสกุลเป็นวัด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 อันนี้คือว่าพวกนี้น้อมใจไปในทุในพระไตรปิฎกกับพวกน้อมใจไปในทุดงอันนี้ก็ฝ่ายดีไปเยอะและ้วแต่ก็มีพวกที่น้อมใจไปในปฐมฌานทุติยฌานจตุตฌานอันนี้น้อมใจไปในรูปสมาบัติบางพวกก็น้อมไปในอากาสารัญใจยตนาวิญญาณัญใจยตนะเนวสั น, อ, นอากินเนวสัญญาณสัญญายตนาสมาบัตินะนะมันก็พวกนี้ก็น้อมไปในอรูป์สมาบัติ สรุปก็แบ่งเป็นกลุ่มนะบางกลุ่มก็น้อมไปในปัญจารมรูปเสียงเริอนรถโพธะะบางกลุ่มก็น้อมไปเนี่ยในสกุลคณะอาวากบางพวกก็นาอยศสเนเสริญสุลกบางพวกก็น้อมไปในปัจใจสี่บางพวกน้อมไปในพระไตรปิฎกบางพวกก็น้อมไปในทุดง13 บ, บางพวกน้อมไปในรูปประชานบางพวกอรูปประชานอันนี้เรียกว่าอัธยาศัยแต่ละคนเนี่ยน้อมไปไม่เหมือนกันเพราะไม่เหมือนกันเนี่ยดูบนถนนสิอะ น, นะ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 บางพวกก็หาที่อยู่เนี่ยนะหาสร้างอาวาสอย่างเดียวบางพวกก็น้อมลาบยศสันเสริญสุขบางพวกก็น้อมไปในจีวรเนี่ยนะในบินธบาตเป็นต้นอ่ะทย า, ายาสายแตกต่างกันนะในปัจจัยสีในคำพีก็เหมือนกันเลยก็ชอบไม่เหมือนกันอีกหรือในทุดงแต่ทุดงของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันหรือแม้กระทั่งในรูปประชานอารูปประชานนะเพราะฉะนั้นสรุปว่าพระองค์เนี่ยรู้ยิ่งรู้แจ่มแจ้งวิญ ญ, ญาณทิติ เนี่ยนะทั้งที่เป็นกรร ม, มวิญญาณและปฏิสนธิวิญญาณทั้งสองฝ่ายพระองค์เนี่ยรู้จักว่าบุคคล น, นั้นเมื่อตั้งอยู่คือตั้งอยู่ในสภาพใดเนี่ยรู้หมดเลยนะตั้งอยู่ด้วยกรรมทำอะไรนะคือตั้งอยู่ด้วยนานาจทากรรมยังไงแล้ววิบากต่อไปจะมียังไงพ้นวิเศษแล้วมีสมาบัติปะนั้นเป็นไปในเบื้องหน้าคือหมายว่าเขาเนี่ยปฏิบัติจนได้ อากินจัญญายตนาสมาบัติยืนยันอยู่ใ น, ในอากินจัญญายตนาสมาบัติโน้มไปในอากินจัญญายสมาบัติเพราะนนั้ถ้าจะเกิดก็เกิดในอากินจัญญายตนาภพนั่นแหละบุคคล น, นั้นรู้กรรมว่าเป็นเหตุให้เกิดในอากินจัญญายตนาภพ ب. สรุปบอกตรงๆนะว่าให้ท่านเข้าใจนะว่าไออากินจัญญายตนาสมาบัติของท่านเนี่ยมันนําไปเกิดในอากินจัญญายตนาสมาบัติอ่ะอันอากินจัญญายตนาภพเนี่ยนะ มีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบคือออากินจัญญายตนากุศลเนี่ยนะที่จะมีวิบากต่อไปเพราะท่านมีฉันทราคะในสมาบัตินั่นแหละนะตัวตัญหานแหละตัวประกอบให้อารูประชาญให้ผนนำเกิดต่อไปครันรู้จักกรรมนั้นอย่างนี้แล้วในลำดับนั้นพี่ารณาเห็นธรรมะในสมาบัตินั้นนั่นแหละเป็นยานอันเที่ยงแท้ของบุคคลนั้นซึ่งเป็นพราหม์อยู่จบพรหมจรรย์ เพราะฉะนั้นต้องอาศัยอากินจัญญาญตนะนั้นเจริญสมาบัติแล้วตัดฉันทราคะในสิ่งนั้นน่ะนะท่านจะอยู่จบพรหมจรรย์หมายว่าจะอยู่จบอริยมรรคเนี่ยต้องทําอย่างนั้นต้องปฏิบัติอย่างนั้นก็บอกให้เจริญวิปัสนาในอากินจัญญายาตนะสมาบัติเอาอากินจัญญาญตนะสมาบัติมาพิจารณาจนตัดฉันทราคะที่กรรมเนี่ยนำเกิดได้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 เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ารู้กรรมเป็นเหตุให้เกิดในอากินจัญญยายตนะภพนะนะรู้นะว่าตัวกรรมนะเป็นตัวนําเกิดนะนะถามว่าทําไมไอ้ตัวกรรมนั้นมันนําเกิดได้อะก็เพราะว่ามีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบความว่าความกําหนัดในอรูปตรัสว่าความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอ บ, กอ ร, ร, อ ร, กอบรู้กรรมนั้นว่าก็ เกี่ยวพัวพันด้วยความกำหนัดในอารูปคือรู้ทราบเทียบเคียงพิจารณาให้แจ่มแจ้งทําให้ปรากฏซึ่งความกำหนัดในอารูปว่าเป็นเครื่องข้องเป็นเครื่องผูกพันเป็นเครื่องกังวลก็ฉันทราค้าในอารูปสมาบัติเนี่ยนะเป็นตัวนําเกิดนะเพราะถ้ามีฉันทราค้าในอารูปสมาบัตินั่นแหละตันหาตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวนําเกิดให้นะไะ่งั้นกรรมไม่ให้ผลหรอก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 เป็นเหยื่อมานมีชาติเป็นธรรมดามีชราเป็นธรรมดามีพญาที่เป็นธรรมดามีมรณะเป็นธรรมดามีโซกะปริเทวะทุกขโทมนทและอุปายาตเป็นธรรมดาฉนั้นคนที่เจริญวิปัสนาเนี่ยนะได้อารุปฌานละซึ่งอารุปฌานมันถือว่าเป็นสันตวิหารธรรมเนี่ยนะเป็นธรรมะที่สงบระงับโหอย่างมากแล้วตามเห็นไอสมาบัตินั่นแหะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยนะ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 ให้ได้สมาบัตนะนะแล้วพิจารณาสมาบัตเหล่านั้นนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีได้เนี่ยนะอืเก่งมากอนะแต่ถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่ฐานะเลยที่จะตัดฉันธราคะได้นะนะเพราะว่าแหมถือเป็นของดีเนี่ยนะถ้าได้ของดีมีอะไรบางที่ไม่น่าติดนะโดยเฉพาะรูปประชานารูปประชานทั้งหลายเลยเนี่ยน่าติดน่าคล้องเป็นอย่างมากพันจึงเจริญวิปัสสนาให้ละความเพลิดเพลิน นนคนที่เจริญวิปัสสนาจนสามารถตัดฉั้นธราคะไดนะ้นั่นแหละเป็นยานอันเที่ยงแท้ของบุคคลนั้นความว่านั่นเป็นยานอันแท้จริงทองแท้ไม่วิปริตของบุคคลนั้นอันนี้คือทางถูกที่สุดนะนะเข้าชานออกจากชานเจริญวิปัสสนาพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนตัดฉั้นธราฆะในสมถาวิปัสสนาได้อันนี้แหละชั้นยอดเหมือนกันนะอันนี้แหละแน่นอนที่สุดเหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้าทําได้อย่างนั้นก็เป็นพราหมณ์เป็นผู้ลอยธรรมะ7ประการเนี่ยลอยตันสากายะทิฏฐิวิจิกิจชาสีลรพตาปรามาตนะนะราคาโทสะโมหะทุจริตตันหากิเลทิฐิละได้ทุกชนิดนะนะถ้าปฏิบัติอย่างนั้นก็จะจบพรหมจรรย์จบพรหมจรรย์คืออริยมรรคพรหมจรรย์นเนี่ยนะส่วนพระเสขบุคคลเจพวก รวมทั้งกัลยาณนะปุภุชนย่อมอยู่อยู่ร่วมอยู่ทั่วอยู่รอบเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมะที่ยังทำที่ยังไม่ทําให้แจ้งส่วนพผ้าหานเนี่ยท่านอยู่จบทำกรณียกิจเสร็จแล้วปรองภาราเสียแล้วมีประโยชน์ตนอันถึงแล้วโดยลําดับมีสังโยชน์ในภพสิ้นไปรอบแล้วพ้นแล้วกิเลสพะรู้โดยชอบนะพ้นพอรู้โดยอภินยยธรรมตริน ย, ยธรรมมหาตัปธรรมภาเวตปธรรมสัชิกาตัปธรรมเนี่ยนะ พันเรีกว่าเป็นผ้าฐันมีธรรมะเครื่องอยู่จบมีจารณะอันประพฤติแล้วเป็นผู้ที่มิได้มีชาติสงสารคือชาติชรามรณะสรุปว่าไม่มีพบใหม่อีกต่อไปสรุปคาถาที่พระองค์ตรัสตอบว่ารู้กรรมนั้นว่าเป็นเหตุให้เกิดในอากินจัญญายตนะพบมีความเป็นมีความเพลิดเพลเินเป็นเครื่องประกอบ